ข้อความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มประพูตยานในวันนี้คงเป็นการตอบคำถามอีกเช่นเคยท่านถามว่าคำสอนหรือบทสวดต่างๆในพิธีกรรมที่เราใช้ทุกวันนี้ใครกำหนดขึ้นเราได้มาจากไหนพระพุทธเจ้าท่านกำหนดไว้หรือเปล่าคะเอ่อส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นข้อที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดง ก็เรียกว่า 90% สเอร์นะ น, นะพระเจ้าทรงแสดงเองแล้วเราก็คัดสรรมาสวดสาธยายกันตามตานานความเป็นมาของประสูทเหล่านั้นแต่ส่วนบทธรรมวัดเนี่ยธรรมวัดเช้าเย็นเนี่ยเป็นเรื่องที่ประบาทสมเด็จพระจองกราเจาอยู่หัวทรงรวบรวมเรียบเรียงแล้วก็นิพนธ์ขึ้นเป็นบทสวดช่วงที่นั่งพะเพียรพวกประสูตร์ทั้งหลายเนี่ย ก็เป็นพระบาลีพุทธวจนะแต่ว่าการสวดเนี่ยที่จริงพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงกําหนดไว้หรอกเป็นการสาธยายสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยมาสาธยายพร้อมๆกันเพื่อจะรักษาพระบาลีพุทธวจนะเอาไว้ทอนนั้นแต่ว่าแนวสวดซึ่งออกมาในรูปของการสันเสริญแล้วค่อนข้างไปทางอ้อนวอนเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนหลัง แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงไปจากหลักการดั้งเดิมของพระพุทธศาสนามากอยู่แต่ว่ามันก็เป็นจุดอ่อนของมนุษย์ะนะครมนุษย์ก็ชอบบูงสวงอ่อนวอนขอร้องการประสิทธิ์ประสัดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งสูงสุดเพราะงั้นเรื่องนี้ก็คงจะเลิกได้ยากก็ต่อไปถามว่าคมพีใจปิฎกใครเป็นคนเขียนใช่พระพุทธเจ้าหรือไม่ค่ะคือพระใจปิฎกเนี่ย มันเป็นภาษาที่เพิ่งเรียกเมื่อพศออประมาณ300รแล้วคือสมัยสังายาาครั้งที่สามสมัยก่อนจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าภรษศัท ธ, ธรรมบ้างเรียกว่ารธรรมวินัยบ้างเรียกว่าป่าพฤบ้างเรียกว่าศัตุศาสตร์บ้างเรียกว่านวังกับศัตุศาสตร์บ้างก็เรียกชื่อหลายหชื่อแต่ว่าพอสังายาาครั้งที่สามเนี่ยเขาเกิดจัดหมวดหมู่ขึ้นมา แยกเป็นหมวดของพระวินัยหมวดของพระสูตรหมวดของพระพิธรรมคำว่าบิดกก็ที่จริงก็แปลว่ตาตะก้าหรือกระจาดสมับัติของนะมันก็คือตะตะกา้าหรือกระจัดสามใบสมบัติบรรจุพระบาลีพุทธวจนะที่เป็นพระวินัยพระสูตรพระพิธรรมการเขียนนั้นเขียนที่เกาะลังกานะเขียนที่เกาะลังกากว่าโซ่500กว่าแล้ว เขียนแต่ว่าที่จริงเคยเขียนที่ประเทศอินเดียที่นี่และแถวอับการนิสถานทุกวันเนี่ยนะอนาณาจักรของราชวงศ์กุศานของพระเจ้า ก, ากนิตฐกะมาราชแต่ว่าเป็นของนิกายสวาสติวัชินเราก็ไม่ได้นับเป็นเรื่องของเราเพราะงั้นเราก็เขียนที่ลังกาอพพ อ, อประมาณห้าร้อยกว่า แล้วก็ต่อมาก็ไปคัดลอกกลับมาเป็นภาษาบาลีเนี่ยมพสก็ประมาณนั้นแหะเกือพันนะนะฮะเก้าร้อยกว่าก็เป็นการกระทาของพระรุ่นหลังพระพุทธเจ้าสมัยพระพุทธเจ้าไม่มีการขีดเขียนอะไรหรอกก็เป็นเรียนกันโดยมุขปะทะเคเรียนกันด้วยปากจำทรงกันด้วยใจเฉยๆท่านคิดว่าสงครามโลกครั้งที่สามจะเกิดขึ้นหรือไม่ โลกข้างหน้ามันยังมีอีกนานนะนะมันไม่มีใครมียานย่างรู้หรอกถ้ามันเกิดอีกครั้งหนึ่งก็เป็นสงครามโลกครั้งที่สามตอนั้นแต่คงไม่เกิดระยะใกล้ๆหรอกไม่คงเกิดคงไม่เกิดสืบเนื่องมาจากอัการนิสฐานที่อเมริกากําลังบอบอยู่ในปัจจุบันหรอกอันี้ก็คิดว่าคงไม่นานก็คงจะเลิกไปเองเพราะว่ามันปราบปรามผู้ก่อการร้ายต่นนั้นเองแต่ว่าพอดีประเทศก็ไปปกป้องผู้ก่อการร้ายเอาไว้ นะถ้าหากว่าส่งขึ้นสารโลกให้มาต่อสู้กันด้วยความเป็นธรรมมันก็ไม่มีอะไรนะมันไม่ถึงก็ต้องเป็นศึกสงครามกันอย่างนั้นแต่ว่าต่างตัวต่างดีต่างมีวิชาต่างตัวต่างกล้าวิชาเทียมกันมันก็ไม่รู้จะว่ายังไงเือนเดือนข้าราชการครูมีโอกาสจะปรับขึ้นหรือไม่ก็คงจะขึ้นนะนะฮะในโอกาสต่อไปแต่เศรษฐกิจมันดีขึ้นมาก่อนวิญญาณมีจริงหรือไม่ถ้ามีอยู่ตรงไหนทําอะไรอยู่ วิญญาณ น, นั้นเป็นจิตที่ทําหน้าที่รู้อารมณ์ซึ่งผ่านมาทางประสาทสัมผัสคือ ร, รู้ทางตารู้เสียงทางหูรู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งทางกายแล้วก็รู้อารมณ์ทางใจนะครับนั่นก็วิญญาณหนึ่งวิญญาณหลักก็คือตัวนี้นะคือจะคุกวิญญาณเป็นต้นเนะี่ยวิญญาณต่อไปก็ทําหน้าที่ไปเกิดเรียกปฏิสนธิวิญญาณจุติจิตเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณจิตบรรดับแล้วก็ไปปฏิสนธิ เกิดดอีกหนึ่งก็คือวิญ ญ, ญาณนาท่หรือท่ารู้ที่มีอยู่ในภายในนะอีกอกหนึ่งวิ ญ, ญญาณทิติที่ตั้งของวิญญาณคือวิญญาณที่ไปเกิดในที่ใดที่หนึ่งนะก็เรียกวิญ ญ, ญาณทิติมันก็อยู่ตามตาหน้าของมันนั่นแหละศาสนาทุกศาสนาสอนคนทำความดีทำไมบางศาสนาสอนให้คนสละชีวิตเพื่อพระเจ้าและสอนให้าผู้บริสุทธ อันนี้มันเป็นหลักการของศาสนาเหล่านั้นที่มันขึ้นอยู่กับประวัติศาสตร์หรือความเป็นมาของเขารเราเห็นว่าศาสนาบางศาสนานี้เกิดขึ้นมาทำกลางความขัดแยง้งมีคนต่อต้านมีควรขัดขวาง ม, มากท่านก็ต้องปรับสภาพตัวเองเพื่อรักษาสถาบันตัวเองให้อยู่ได้ในส่วนของความคิดความอ่านมันก็รุนแรงเกันไปเรื่อยๆจน กลายเป็นมรดกบาปที่คนในยุคหลังไปยึดถือซึ่งที่จริงบางคนละสถานการณ์กันเราสามารถที่จะสร้างยุคสมัยของเราเองด้วยตัวของเราได้เราจะเห็นว่าพระพุทธศาสนานั้นมันเกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งเหมือนกันก็มีคณาจารย์เจ้าลทัทธิอยู่ตั้งเยอะในสมัยนั้นแต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงสมบูรณ์ด้วยระสัพันยุตยาน ก็ไม่มีความขัดแย้งไม่มีการต่อต้านไม่มีการต่อสู้ถึงแม้จะเขาจะทำบ้างนะฮะแต่เราไม่ได้ทำเขาอะไรก็ตามเพราะฉั้นเราจะไม่มีคําสอนลักษณะที่ไปทําอะไรใครมันรุนแรงไปฆ่าคนแล้วไม่บาปไปฆ่าศัตรูไม่บาปฆ่าอุปมานศาสนาไม่บาปเราไม่ใช่อย่างนั้นเราบาปทั้งนั้นเลยประวัติศาสตร์ไม่เหมือนกันนะฮะมันเรื่องประวัติศาสตร์ในเรื่องใหญ่คือภูมิหลังของมนุษย์ในแต่ละเรื่องเนี่ยคําสอนแต่ละคําสอนเนี่ยต้องนึกถึงภูมิหลังเขา ว่ามันมาอย่างไงมันไม่ใช่นิ่งน่งมาหรอกลปนั่งสมาธิทําไมต้องเอาขาขวาทับขาซ้ายอย่างนี้ขาซ้ายก็รับสึกหนักสี่ศาสนาสอนแม่เบียดเปลี่ยนกันมันเป็นวิธีการนะฮะวิธีการแต่เราถนัดอย่างไงคือคือปกติแล้วถ้าเราถนัดถนัดขวาเราก็ขวาถนัดซ้ายก็ซ้ายก็ไม่ได้หว่าะไรหรอก ก็บอกแต่นั่งคู่บันลังตั้งกายตรงดำารงสติวเฉพาะหน้าเหล่านั่นเองไม่ได้บอกว่าขาขวาขาซ้ายอะไรนั่งทับอะไรนะ อ, อ่ข้อต่อไปนี่เป็นพระนะฮะเนี่ยถามเป็นพระถามว่าขอเรียนถามเรื่องการเจริญเมตตาเป็นอารมณ์กรรมฐานขอท่านอาจารย์ช่วยขยายความถึงวิธีปฏิบัติโดยพิสดารด้วยครับ คือการเจริญเมตตานี้ได้แก่การที่ตั้งจิตสร้างความรู้สึกที่ดีต่อคนเราอื่นโดยเริ่มต้นจากตัวเองเนว่าเรารักสุขไม่ต้องการความทุกข์เช่นใดคนอื่นก็รักสุขไม่ต้องการความทุกข์เช่นเดียวกันฉะ น, นั้นแล้วตั้งใจแผ่ไปแผ่จิตไปที่จะเห็นคนอื่นอยู่ร่วมกันโดยไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุสลายกันให้แต่ละชีวิตอยู่ดีมีสุขตามต้งควรแก่ฐนานะของตนและแผ่ไปในทิศทั้งหลายนะฮะ ในทิศทั้งแปดในทิศทั้งสิบน ะ, ะในทิศทั้งสิบเนี่ยแผ่ไปหมดทุกทิศเลยแผ่ไปได้ไม่มีประมาณเนี่ยเขาเรียกว่าอัปปมัญญาเมตตาที่เป็นอัปปมัญญาแล้วก็เมตตาที่เจริญแผ่ไปอย่างนี้แต่ว่าทําไม่ใช่เรื่องง่ายนักนะฮะในชีวิตประจําวันเนี่ยต้องเมตตาทางกายกรรมเมตตาทางวิจีกรรมด้วย คือทำอะไรกับใครก็ทำด้วยเมตตาพูดอะไรกับใครก็พูดด้วยเมตตาคิดอะไรกับใครคิดใส่ถึงใครก็คิดด้วยเมตตาแล้วก็ปรารถนาที่จะเห็นคนอื่นสัตว์อื่นเป็นไปในลักษณะดังกล่าวแล้วเมตานั้นทรงแสดงไว้ว่าถ้าบุคคลจเจริญกระทำไม่มากแล้วเนี่ยแมนมันเกิดได้ชั่วลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยก็เป็นธรรมที่มีผลมีในสงมากและอันนี้สงที่เราเห็นได้ก็คือว่า นอนหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายเทวดาจะให้การคุ้มครองรักษาสารวุธยาพิษเครื่องประหารไม่สามารถทําอันตรายได้จิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เร็วแล้วก็เมตตาตาก็จะไม่หลงตายนะตายไปแล้วถ้าหากว่าเมตตาธรรมดาเนี่ยก็จะบังเกิดในสุคติแต่ถ้าระดับเมตตาฌานเนี่ยก็จะบังเกิด ในภพมโลกกีเดียวข้อต่อไปถามว่าในครั้งที่พระพุทธองค์ตัดสินพระไทยปรงพระชนมายุสังขารได้ตรัสกับพระอนณนว่าท้ถาทาคตรเป็นผู้เจริญด้วยอิทธิบาทสีหากประสงค์จะดำรงพระชนมนชีพอยู่ถึงกันก็ย่อมเป็นได้ เหตุที่พระองค์สัตว์เกี่ยวกับอิทธิบาทสี่มีนัยยะสัมพันธ์อย่างไรกับการปรุงประยุอายุสังขารของท่านคือหมายความว่าตอนอิทธิบาทสี่เเป็นการแสดงหลักธรรมปฏิบัติว่าคนที่เจริญอิทธิบาทสี่ได้เนี่ยสามารถที่จะที่ฐานจิตเพื่ออยู่ตลอดกลับหรือเกินกว่ากลับในได้แต่คําว่ากลับในที่นี้หมายถึงกลับอายุนะฮะไม่ใช่กลับไม่ใช่กลับโลก กับอายุก็ในสมัยนั้นก็ราวร้อยปีนะฮะอายุไขของคนในยุคนั้นก็ร้อยปีถ้าเกินกว่าเราจะเห็นว่าพระเกินกว่าอยู่รูปเดียวก็ร้อยหกสิบปีพระผากุละแล้วก็นอกจากนั้นก็ร้0ยี่สิบปีซึ่งอายุเกินในแนวนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะวันก่อนมีคุณยายคนหนึ่งที่จังหวัดสิงห์บุรีท่านทิ้นไปในะอายุร้อยสิบเ็ดปีกับแปดเดือน นี่พระที่ไปเผาก็มาแสดงความชิ่นชมยินดีว่าได้เผาคนแก่ขนาด น, นั้นพระู้จ้าก็สามารถจะอยู่ได้นะเพราะทรงชำนิชนานาญในอิธิบาทภาวนาแต่ว่าการปงประองมายุสังขารนะี่มันเป็นเงื่อนไขอย่างหนึง่งคือทรงตั้งพระไทยไว้ตั้งแต่แตัดสินพระไทยจะประกาศธรรมะแก่ชาวโลกว่า เมื่อบริษัททั้งสี่มีความมั่นคงหมายความว่าพุทธบริษัททั้งสี่ได้มีการศึกษาได้มีการปฏิบัติได้มีการได้รับผลได้มีการเผยแพร่มีศักยภาพที่จะดูแลรักษ า, าศาสนาแก้ไขพรับปรัวาาได้แล้วในพระองค์จะไปนิพพานเพราะนั่นมันก็ถึงเวลาจะไปนิพพานแต่ถ้าจะอธิษฐานอยู่มันก็อยู่ได้เพียงแต่ว่าได้ให้สัญญ า, าไว้กับพยามาน ว่าถ้าได้ผลอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็จะปฏิบาติก็ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาตามพระพุทธปฏิธานที่ทรงตั้งเอาไว้ในส่วนอิทธิบาทภาวนาแม้ในปัจจุบันถ้าใครทำได้มันก็สามารถจะยืดยืดอายุดยดยดได้นะฮะแต่ไม่ใช่ว่าเป็นร้อยๆอยปีอะไรหรอกแต่าอายุแปดสิบก็อาจจะยืดไปได้ เดี๋ยวนี้คนอายุไขมันลดลงนะเขาบอกว่าผู้หญิงก็ราวเจ็ดสิบหกผู้ชายก็ราวเจ็ดสิบสามท่นั้นเองอายุไขาอายุไขลดลงเพราะงั้นถ้าเจริญอิธิบาทภาวนาก็อยู่กันไม่ได้นานเท่าไรหรอกข้อต่อไปถามว่าผู้เจริญอิธิบาทสี่แล้วจะสามารถอธิษฐานที่จะอยู่ถึงกันเช่นนั้นได้เพราะเหตุอะไรก็เพราะเหตุดังกล่าวแล้วนะฮะ แต่การรื้กลับในที่นี้หมายถึงอายุไขคือหมายความว่าพระพุทธเจ้าจะทรงอธิษฐานพระไทยก็จะอยู่ได้อีกยี่สิปีไม่จะอยู่นานมาจนถึงปัจจุบันนะบุคคลผู้ประกอบอาชีพการเป็นเจ้าของบ่อนการพนันหรือรับจ้างเป็นจมือหวยจะเข้าข่ายในมิจฉาวนิจชาหรือไม่เพราะไม่พบว่าท่านระบุเอาไว้คือมิจฉาวณิจชาเนี่ย อาชีพที่เป็นการเบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนเบียดเบียนบุคคลอื่นเดือดร้อนเนี่ยมันอยู่ในกลุ่กรอบของวิชาวณิชาทั้งนั้นแหละแต่ว่าในฐานะที่เป็นอุบาสกเนี่ก็ท่งสอนมาแค่ห้าอย่างอต่อย่างเนี้ยอุบาสกไม่ควรจะค้าขายไม่ค้าขายอาวุธค้าขายทาตค้าขายสัตว์ตาเอค้าขายยาพิษค้าขายสัตว์เป็นอะไรต่างๆเพราะฉั้นในแนว น, นี้ก็พวกอบายามุขทั้งหลายเนี่ย อบายามุกมันก็เป็นมิจฉาชีพอยู่โดยสถานะของมันแล้วมันอยู่ในกลุ่มของมิจฉาชีพนะฮะอยู่ในกลุ่มของมิจฉาชีพแามว่าในสมัยพุทธกาลบุคคลผู้สดับฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าก็สามารถบรรลุมรรคผลกันได้ขอถามว่าบุคคลเหล่านั้นบนรรลุมรรคผลด้วยปัญญาชนิดใดพระหาพิจณาว่า เป็นการฟังก็น่าจะเป็นระดับสุตตมยาปัญญาแต่การจะบรรลุมรรคผลได้ควรจะต้องเป็นปัญญาในระดับภาวนามยาปัญญาเท่านั้นขอท่านอาจารย์โปรดขยายความด้วยครับคือการฟังธรรมเนี่ยเราต้องจับประเด็นให้ได้นะฮะยกตัวอย่างง่ายๆว่าชาวบ้านแถวบ้านนะแต่บ้านชาวบ้า น, าานคือนักบวชในท่านมีศีลอยู่แล้วนักบวชในท่านมีศีลอยู่แล้วแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยเช่นพยาสะอย่างเนี้ย พยาสาก็ที่มังฟ้าพระพุทธเจ้าที่ศีปัตนะมฤเลกธายวันเนี่ยคือรูปแบบของศีลสมาธิปัญญาน่ะที่ทํำกันเป็นรูปแบบทําเป็นรูปแบบที่หลังรูปแบบที่หลังแต่ว่าจริงๆแล้วโดยการเคลื่อนไหวของมนุษย์เนี่ยเป็นศีลสมาธิปัญญาอยู่แล้วพยาสาก็เมื่อพระพุทธเจ้าท่านเดินเดินบ่นไปพอที่นี้บุญวายหนอทีนี้กระ้องหนอที่นี้บุญวายหนอที่นี้กระ้องหนอพระพุทธเจ้ารับสั่งวยาสาก็ที่นี้ไม่วุ่นวาย ทีนี้ไม่ขัดข้อมาที่นี้เธอรนั่งลงเตือนเราจากแสดงธรรมแก่เธอท่านก็เข้าไปเฝ้าเข้าเข้าถึงนั่งเรียบร้อยปั๊บเนี่ยมันเป็นศีลแล้วเห็นไหมเราไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติในกาไม่ได้พูดเท็จไม่ได้เสพสิ่งเสพติดอะไรในขณะนั้นก็เป็นศีลแล้วพอตั้งใจฟังเนี่ยเป็นทั้งสุตตามายะปัญญาทั้งจินตามายะปัญญาแล้วก็ภาวนามายะปัญญา สอดคล้องกันไปเป็นกระบวนการทั้งสามปัญญาทั้งสามระดับนั่แนแหละพอมาถึงจุดหนึ่งมันก็จะเริ่มมีปััสนาตามไปกระแสธรรมะที่ชี้นําเราไปอ่านในพระสูตรเราจะเห็นหน้าว่าเป็นกระแสธรรมที่ชี้นําจิตของบุคคลให้ดำเนินไปได้เรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งแล้วก็บรรลุมรผลระยาสาั้นครั้งแรกก็บรรลุมรผลเป็นมโสดาบัน ควาอีกรอบหนึ่งนะฮะความอีกรอบหนึ่ ง, ก, งก็เรื่องเดิมนั่นแหละแต่ความอีกรอบหนึ่งก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอาหารหันต์เลยภาวานาหมดนะหมดหม ด, หมดทั้งสามอย่างปัญญาหมดทั้งสามระดับแล้วก็ระดับภาวนามายปัญญาเป็นวิปัสนาปัญญานะญาณทัศสนะมัาเกิดขึ้นไปในใจของท่านต่อไปก็ต่านถามว่าการที่เราฆ่าสัตว์หรือมนุษย์ในชาติภพนี้ ผลของกรรนั้นน่าจะส่งผลกลับมาหาเราไม่ในชาตินี้ก็ในชาติหน้าแต่ถ้ามองอีกแง่มุมหนึ่งว่าการที่เราฆ่าเขาในชาตินี้ก็น่าจะเป็นผลของกรรมของสัตว์หรือคนคนนั้นที่กระทำกับเราในชาติก่อนจะเป็นเช่นนี้ได้หรือไม่ถ้าคิดอย่างนั้นมันก็มั่วหมดนะครคือมันมีทางเป็นไปได้ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้แต่ว่าแล้วทำไมเราต้องทาต่อละ่ะ สมมติว่าชาติก่อนสมมติว่าชาติก่อนเขาฆ่าเราชาติปัจจุบันในเราฆ่าเขาชาติต่อไปเขาก็ฆ่าเราแล้วทาไมเราจะไปต่อเหตุต่ตอความยาวสาวความยืดในลักษณะนั้นนะเพราะนัการที่เราถูกฆ่าเนี่ยไม่จําเป็นว่าเขาต้องฆ่าเราแต่โดยบาป ก, กรรมที่เราฆ่าคนอื่นเนี่ยเป็นเหตุให้เราถูกฆ่าเช่นคนในปัจจุบันในฆ่าคนตายไอ้คนตายไมไ่รู้ขึ้นมาฆ่าเรา แต่ตำรวจตามจับและแกก็ต่อสู้ตำรวจัตถุวิสามันฆาตกรรมนั่นก็เพราะบาปกรรมที่ฆ่าคนแล้วแกก็หนีแล้วแกก็ไม่ยอมให้ตำรวจจับแกก็ต่อสู้แล้วแกก็ยิงต่อทุกข์กับตำรวจตำรวจก็ยิงตายแต่ถ้าแกไม่ฆ่าคนตายแกก็ไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีตำรวจก็ไม่ต้องจับไม่ต้องจับก็ไม่ต้องต่อสู้ไม่ต้องมีอะไรก็ไม่ต้องมีการตรงจริงตายทีนี้ยังในกรณีที่คิดเนี่ย กนนี้ที่ว่าชาติก่อนเนี่ยคนคนนี้อาจจะฆ่าเรามาก่อนก็ได้แล้วก็ต่อเหตุสร้างต่อไปชาติต่อไปก็ฆ่าเรามันก็มีเรื่องเรื่องหนึ่งท่านเล่าที่จึงฟังพระครูประกาศก็เล่าทางวิทยุเนี่ยก็นานหลายปีมาแล้วได้ยินเนี่านบอกว่ามีคนคนหนึ่งชื่อนายดำแล้วก็ถูกโจร คือก็ไปเลี้ยงโคนะฮะเลี้ยงโคแล้วก็ถูกโยนร้นโคแล้วเอาตัวไปด้วยก็เดินคุ้งมันไปธรรมดาคล้ายๆกับเพื่อนฝูงเดินเอาโคมาไปในที่ใดที่หนึ่งก็ผ่านคนคนก็ไม่ได้สะดุดใจอะไรพอไปถึงจุดหนึ่งไปที่สงบสงบโจนมันก็เตรียมจะฆ่านายดำนายดำก็เห็นว่ายังไงตัวเองก็จะตายแล้วก็เลยบอกว่า จะไงผมก็จะตายแล้วนะขออาบน้ําหน่อยเถอะเพราะมันเดินมาเหนื่อยเหลือเกินพอดีมันมีแอ่งน้ําอยู่นอ้ดำลงไปเนี่ยมันมีเสียงกระซิบบอกว่าไอด้ดาไอ้สองคนเนี้ชาติก่อนเนี่ยแกฆ่าเขาชาตินี้แกก็ต้องชดใช้บาปกรรมที่เคยฆ่าเขามานายดําก็ได้ยินแต่ว่าไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูด ก็ขึ้นมาถึงก็เล่าให้โจนฟังบอกแกได้ยินมาอย่างเงี้ยแล้วก็บอกด้วยว่าศพเนี่ยอยู่ที่โคนไม้เนี่ยโจนก็อ่ะก็ขุดดูกันหน่อยก็ไม่ใช่แปลกอะไรนะก็ช่วยกันขุดขุดไปถึงก็เจอศพผู้ชายสองศพโจนเริ่มคิดแต่นายดำไม่คิดนายดําปรงตกแล้วนะบ่าค่าชีวิตก็ต้องชดใช้โดยชีวิตนายดํานี่ยก็ปรงตกแล้วแต่โจนก็เริ่มคิดแล้ว เพราะชาติก่อนนี่ยดำฆ่าเราชาตินี้ถ้าเราฆ่าในดำเนี่ยชาติโน้นในดำก็ฆ่าเราชาติโน้นเราก็ฆ่าในดำชาติต่อไปเราในดำก็ฆ่าเรามันไม่มีที่สิ้นสุดตกลงว่าทั้งสามคนเนี่ยตกลงเป็นเพื่อนกันเลิกแล้วต่อกันไม่เบียดเบียนประทุษร้ายกันเพรา ะ, ะเราถ้าเราไปคิด ว่าเขาฆ่าเราแล้วเราก็ตัดกระแสกรรมคือเราไม่ฆ่าเขาก็จบอย่างงั้นก็ดีกว่านะเพราะเราไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าเรามีความรับผิดชอบในการกระทาของเราแล้วเนี่ยเราต้องไม่ทำเพิ่มเติมนะไม่ทาเพิ่มเติมเพราะยังยังน้อยไม่มีอะไรเนี่ยสมมติว่าเรื่องนั้นเรื่องจริงนะสมมติว่าเรื่องจริงเราก็ผิดกฎหมายในชาติปัจจุบันนะ กฎหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องชดใชยกันก่อนต้องรับผลกรรมกันก่อนจากคาถามข้อทีผ่านมากรรมและผลของกรรมที่ว่าจะบุนเวียนอยู่เช่นนั้นไปตลอดหรือไม่คือมันติดตามไปจนกว่าจะสิ้นกระแสกรรมนาะที่ทรงอุปมาว่ากรรมเหมือนกับเงาที่ติดตามเราไปวันเงามันต้องหมดเงาซะก่อน ทีนี้หมดเงาเนี่ยต้องหมดตัวตนของเราเช่นก่อนถ้ายังไงจับใดเรายังมีตัวตนอยู่ราบนั้นเราก็ยังมีเงาอยู่ซึ่งก็หมายคว่าเราต้องบรรลุมรรคผลเป็นพระหรันแล้วต้องนิพพานไปก่อนนะจึงจะหมดกันเนี่ยถ้ายังไม่นิพพานคือยังมีชีวิตยอยู่ดับเฉพาะกิเลส ข, ขันยังไม่ได้ดับเนี่ยมันก็ต้องเผชิญกับปัญหาอยู่ร่ำไปะเป็นกงเกวียนกงกรรมที่ ต้องชดชายกันไม่มีที่สิ้นสุดมีอย่างเดียวที่จะพ้นได้ก็คือกรรมนั้นให้ผลแล้วกับเราบรรลุมรรคผลเป็นพระหันแล้วก็นิพพานไปพูดง่ายว่าตายไปนะประหารตายไปจึงจะบดกรรมกันจริงๆถ้ายังไม่ตายก็ยังไม่หมดนะฮะยังต้องชดชา้ผลกรรมนั้นอยู่ในข้อต่อไปถามว่าการที่เราฆ่าเขาในชาตินี้เราจะบาปหรือไม่ เพราะที่เรากระทำลงไปเป็นผลเรื่องมาจากกรรมที่เราถูกเขาฆ่าในชาติปางก่อนอันนี้ก็คำถามคล้ายๆข้อแรกกันนะฮะคือคือถ้าเราคิดอย่างนั้นจริงนะเราก็ทั้งบาปด้วยและทั้งผิดกฎหมายด้วยมันไม่ใช่ว่าเป็นการชดใช้กันได้คือกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเจตนาที่เป็นความโลภความโกรธความหลงเป็นเจตนาใหม่ เขาเป็นชีวิตใหม่เป็นชีวิตให ม, นะเใหม่เป็นเจตนาใหม่เป็นความพยายามใหม่แล้วเกิดผลขึ้นใหม่เพราะนั้นก็เบ็ดเสร็จแล้วก็เราจะต้องรับผลต้องชดใช้กรรมต่อไปแล้วกรรมที่ประจักษ์แจ้งจริงๆก็คือว่าเราต้องติดคุกในชาติปัจจุบันแล้วก็กลายเป็นฆาตรกรแล้วก็ติดคุกเดือดร้อนครอบครัวเดือดร้อนลูกเมียเดือดร้อนพ่อแม่เดือดร้อนบงสาณกนาติเดือดร้อนตัวเองกอ็ดับอนาคตตัวเองไม่รู้ทําะไรทำอะไรนะ คืไม่รู้จะทําไปทําอะไรเพราะงั้นในการไปคิดอธิบายอย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีใครก็รับฟังหรอกเพียงแต่ว่าการคิดถึงอดีตกรรมเพื่อปลงให้ตกในมันได้นะเช่นสมมุติว่าเขาฆ่าเราในชาติปัจจุบันเนี่ยญาติพี่น้องก็เออเขาคงฆ่ากันมาปล่อยไปตามเบ็ตามกรรมเราก็ไม่ไปแก้แค้นอะไรเขาสมมุติว่าเราไม่เคยฆ่าเขาเนี่ยคนนั้นเขาก็รับบาปกรรมไป สมมติเราเคยฆ่าเขาเขาก็รับบาปกาปันไปนะไม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไอ้บาปกรรมให้แบบเป็นบุญเป็นกุศลอะไรขึ้นมาได้หรอกเพราะงั้นวิธีคิดอย่างนี้ยมันคิดได้แต่ว่าทําไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาท้องฝั่งทังหลายใต้ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ได้วเวลาเป็นงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญเง้อ ง, งามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี